ไปดูไปศึกษาไปคบไปดูเนื้อหาการแปลดูความแปลมีข้อปฏิบัติอยู่ในงันเต็มไปหมดว่าโดยเวทน า, ว, าว่าโดยจิตเอกคที่เราสวดกายเวทนาจิตกายที่ยาวเยอะหน่อยแต่ทำทำจะเยอะกว่า เฉพาะทำอย่างเดียวนนเครื่องหนึ่งที่ก็ทําส่วนเฉพาะบทธรรมที่เป็นนิวรนกามฉันทะพยาปาทิณามิทักอุทักจักกุจจาวิจิกิจชากามฉันทะพยาปาททีณามิทักอุทักจักกุจจาวิจิกิจชาเป็นนิวรนนิวรนแปลว่าเครื่องกั้น เวล า, เ า, เานั่งภาวนาจิตเรามันไม่อยู่มันถูกนิวรณ์ดึงไปมันไม่ใช่ถูกอะไรดึงไปมันถูกนิวรณ์ดึงไปพอใจในกามนะพอใจในกามความพอใจในกามในวัตถุ ก, กามด้วยบางทีในกามราคะความกำนังในรูปหญิงผู้ชายด้วยเรื่องของกามฉันทะพอใจในกาม กามก็คือสิ่งที่ทําให้จิตกํำเริบเสศิษารเกิดความใครีความกําหนัดความยินดีที่เรียกว่า ก, กามต้องการใหจิตมันสงบอยู่กับพุโทโธมันสงบไม่ได้มันอยู่ไม่ได้เพราะจิตมันว่าวุ่นเรื่องกามมันสงบไม่ได้มันพาไปนึกไปคิดไปโผล่เรื่องกา ม, มคืนอนิวรณ์กั้นกั้นจิตไม่ถึงคุณงามความดีมันไม่ถึงความสงบที่เดียกนิวรณ์ เราม่ันทพยายามทําให้คิดเรื่องร่างก็คิดเรื่องชั่งพยายามเรื่องชั่พยายาทบัดลว่าพยายามบเปลทับซัพ์พยาปาทะพยายาดเรียว่าพยายามบเปลทับศัพท์จองล้างจองผลานพยายามบัด ว, ว่าจองล้างจองผานถึงข่า ให้ตายกัดฆ่าถึงตัดรอนให้ชิบหายไวป้ปวงตัดรอนที่เรีพยาบาทตามพยาบาทไม่ไม่หยุดไม่หย่อนตามพยาบาทแรงพยาบาทมันมีอยู่นะแรงพยาบาทตามอาฆาตอาฆาตมาร้ายอาฆาตคือจะเอาชีวิตมาร้ายคือมุ่งร้ายมุ่งทาลาย แรงอาฆาตมันมีแรงอาฆาตก็คือแรงความโกรธนั่นแหละในใจของคนเราก็มีเมืที่มีความรักมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาขัดขวางความรักเลยก็เกิดความโกรธขึ้นมาโกรธมากยิ่งขัดขวางกันเรื่องกามาราคะด้วยแล้วเนี่ยตายเลยเอาตายเลยเราดูที่เรื่องราวที่เขาฆ่ากันตาย มีใครไปขัดขวางตายเลยมันเอาตายเลยเพราะอะไรเพราะสีเหล่านั้นมันริดเดียวของสิ่งเหล่านั้นมันรุนแรงมากในใจของคนในใจของสัตว์เราจะเห็นไหมสุ น, นักเนี่ยหน้าเดือนเนี่ยมันกัดมันกัดกันเอาปากฉี่หงอี่จมูกฉี่ตายช่างมันตายช่างมันคอยได้คอยได้นิดหน่อยก็เอาเลย ตายช่างมันตายช่งมันเราเห็นไหมสุนัขตัวที่มันเล่นต่อเขามันวิ่งตามเขาอย่างนั้นถูกเขากัดจะเป็นจะตายตายช่างมันค่อยได้นิดหน่อยค่อยได้นิดหน่อยแรงไหมริดมันริดเดืดของกามกามมันจึงผูกมนุษย์ผูกสัตว์อยู่ในโลกไม่จบไม่มีที่จบคอยได้คอยได้คอยได้เพราะกามราคานี่เป็นมันเป็นยอดของกาม นี่แหละยอดของกามาคุณคือยอดของการมรรคาพเขาเป็นเอาตายดูมนุษย์เน่ยเอาเป็นเอากันเป็นเอากันตายกับเรื่องกรรมเนี่งมันมากๆเรื่องกามมีหนึ่งไม่พอมีสองมีสามมีสิมีเท่าไหร่ไม่พอเอามาให้มันทั้งโลกมันก็ไม่พอเอาจนดิ้นชัก ดิ้นชักงอตายเงยเงีงมันก็ไม่พอพอเป็นที่ไหนกาบจับตเงี้ยเงยเง้มันก็ยังจะเอาอยู่นี่สืออำนาจของกาบกามฮนืออะไรความอยากตัญหาความอยากความอยากเหล่านี้ด้วยฤทิ์ด้วยเดชความหลงผิดความเข้าใจผิดนี่ท่านจะให้เราศึกษา าจะให้เราศึกษาเข้าใจผิดลองผิดเข้าใจผิดดูรสชาตเวลามันเกิดขึน้นเกิดขึ้นที่ไหนกายเป็นสะพานเชื่อมกายนะแค่เป็นสะพานเชื่อมตาหูจ ม, มูกเล่นกายเป็นสเป็นสะพานเชื่อมเป็นสะพานเชื่อมเพื่อเอาความสุขนิ ด, นดหน่อยหน่อย มาให้กับจิตท่านเอแท้ที่จริงก็ไม่มีอะไรความหลงความเพลินครูบาอาจารย์ท่านจึงว่าไม่ต่างอะไรกับมาแทะกระดูกแทะกระดูกกระดูกที่มีแต่กระดูกไม่มีอะไรเลยแทะกลืนเอื้อกลืนจะน้ําลายเยอะของกระดูกจะไม่มีอะไรแทะกระดูกแท้แทะแท่แทะแสบแล้วเกินน้ำลายเยอะแล้วเกินกลืนเอื้อ เรื่แต่ล้ลายเจของนั่นอำนาจของกรมพิจารณาดูให้ยิงจางไปแล้วไม่เห็นมีอะไรเหมือนมาแทะกระดูกแทะกระดกตัวเองหลงหลงอารมณ์ของตัวเอ ง, งอารมณ์ของตัวเองกรมฉันทะพยาบาทะทีนะทีมันไม่นึเรื่องรักเรื่องชังก็นึก่งนอนอ ทนความงงเหงาเหาหนอนความขี้เกียจขี้คลานของกายความขี้เกียจขี้คลานของใจใจขี้เกียจกับหมดจดจ่อขี้เกียจยกจิตขึ้นสู่อารมณ์อารมณ์สมมตานขี้เกียจอารมณ์มีป็นสนักขี้เกียจตี่นมิดาความงงเงงาเหงาหนอนอย่างหนึ่งก็คือร่างกายมันอยากพักผ่อน ร่างกายอยากพักผ่อนอ่อนเพลียอยากพักเนี่ยทีนะมิถะทีนะง่วงเหงาห่าวนอนทีนะมิถ ะ, ถถะความอยากนอนคือร่างกายมันอ่อนเพลี่ยมันอยากพักผ่อนทีนะมิถะอย่างหนึ่งก็คือความง่วงของความง่วงงุ่นของใจ ขี้เกียจมันถูกอารมณ์ความเกียจคร้านครอบงำใจมันถูกอารมณ์ความเกียดคร้านครอบงำง่วงเหงาเมานอนหลับไหลไปเลยเงียบไปไหนไม่รู้เนะ่ะตื่นขึ้นมาได้แรงมีแรงมีแค่จไปใจลุกขึ้นม า, น, า, น, า, น, านั่งนู้นนั่งนี่นี่คือความง่วงเหงาเมนงดความง่วงเหงาเมนงดมีได้เป็นได้ ก็มือ no นอ PLE ย AH so ่างเรานั่งภาวนาเลยแค่เรานั่งไม่กี่นาทีเนียัมเสียงหลับเสียงกรนเราดูด้วยนี่คือหลับมันมีสติหลอบหลับไปแล้วหายใจคือ่าดคือ่าทุื่าคนนั่งภาวนาเลยจะหายใจอย่างนั้นนั่นคือคนหลับนั่นเละคนหลับเป็นได้หายใจแบบนั้นได้แต่คนภาวนาหายใจอย่างนั้นยังไงหายใจไม่ได้หลับ จมมิตรของสติสติไม่ตื่นสติไม่ชาคละสติไม่โู้สติไม่โล่สติไม่โปรง่งสติไม่เด่นผู้รู้ไม่เด่นสติไม่เด่นผู้รู้เมื่อเพลียผู้รู้เกียดคร้านอยากปล่อยให้หลับจมมิตรทีละมิถัน เป็นอันตรายไหมอันตรายขวางความสงบของใจเอามาทำงานเพื่อความสงบมันก็ขวางเอามาทำงานเพื่อความรอบรู้ทางด้านปัญญามันก็ขวางความไม่สงบถ่านจึงเรียกว่านิวรณ์นิวรณ์สิกีดขวางสิ่งกีดขวางต้องการให้สงบจิตสงบไม่ได้มีนิวรณ์มาขวางต้องการพิจารณาเกิดปัญญาเกิดความรอบรู้ เกิดปัญญาไม่ได้มันมีนิวรณ์มากขวางนี่แหละทัศนีวานิวรณ์นิวรณ์นี่คืออุปสรรคของความสงบอุปสรรคของปัญญานี่แหละคือตัวยุง่งฮ่ายุ่งข้างในนี่แเรานั่งอยู่ในในยุงตัวเล็กๆตัวใหญ่ๆมันไม่ได้เจาะมันเจาะไม่ไ ด, มมมด้มันมีมงลวดมันมีมงลวด ยุงภายนอกไม่เจาะแต่ยุงภายในมันเจาะยุงภายในคือนิวรนี่แหละ ย, ยุงที่รายการยุงตัวไร้การกิเลสตัวไร้การฤทธิเดชของกิเลส น, นั่นแหละนิวรคืออะไรฤทิกเดชของกิเลสนั่นแหละจิยาณการของกิเลสพิษสองของกิเลสที่มันมาทับทั่วมวนใจของเรา กรมฉันทะปยาปาทะทีนันมนิทะอุดทัตจักกุกุจักคิดไม่งงเหงาเหานอนบางทีคิดปรุงคิดปรุงจนฟุ้งซ่านจนรำคาญอุดทัตจักฟุ้งซ่านกุกุจกักรำคาญเอาไม่อยู่จนรำคาญเดิน <c oughs> เดินเก่แล้วนั่งเก่แล้วนอนเก่าแล้วอนอนก็แล้วนั่งก็แล้ ว, นน ว, ล ว, ว, ลวเดินก็แล้วฟุงเอาไม่อยู่ เอาไม่อยู่เอาไม่อยู่ถ้าไปหาหมอเขาก็ให้ยาระงับระับความฟุง้งระงับประสาทนี่แหละคือประสาทอ่อนๆแหละถ้าใครมีกิริยาแบบนี้ก็คือประสาทอ่อนๆ ม, ม, ม, มันเกิดขึ้นไปจากอะไรเกิดขึ้นจากเราคิดเราปรุงเครียดเอาไม่อยู่อารมณ์ที่มันรุนแรงจิตมันก็อารมณ์ที่มันรุนแรงเอาไม่อยู่ปรุงไม่อยู่ในสุดในสุดปรุงตลอดปวดปึดปงปรุงไม่หยุด ใจหยุดมันก็ไม่หยุดใจสงบมันก็ไม่สงบจนเป็นเหตุราคาญเบือน่นี่าเรียกว่าอุทธจักรกุจักอุทธจักรกุจักนี่มันไม่ใช่อุทธจักรสังโยชน์บืงบงนนะมันเป็นนิวรนเป็นสังโยชน์บงต่ำอุทธจักรกุจักอันนั้นอุทธจอุทธจักรเฉยอุทธจักรเรลวฟุ่งุงตาลตาดํา ถ้าว่าจิตมันจิตมันติดพันกับงานมันไม่อยากพักผ่อนดวงตาทวาจิตมันติดพันกับงานจิตมันไม่อยากพักผ่อนจิตมันเห็นผลรายได้จากการที่จิตทางานแต่เราอุดทรดจัดจนฟุ้งก็เป็นเหตุเกินไปก็เป็นนิวรณไม่ใ ช, ไใช่ไม่ใช่นิวรอันนี้เป็นตัวสังโยชน์มัดจิตเราไว้ มันก็เป็นตัวนนุสัยอย่างนี้วอนไ ม, ไม่ไม่ใช่นิวรณ์อันนี้มันเป็นเรื่องของธรรมมันสูงละเอียดขึ้นไปมากกว่าอุจจาระกุจจาระเป็นสังโยชน์บางบนเป็นสังโยชน์บางสูงเป็นอนุสัยส่วนละเอียดอันนี้เป็นอนุสัยของอรหัตธรรมมันสูงสูงขึ้นไปแล้ว มันมีศัตรูรอบด้านที่จะมาหกคอยขีดขวางทางปฏิบัติเราสังเกตขาดการสเสกเตีสังกาไห่นะรถ้าเราขาดการสเสกเตีสังกาแล้วก็พลอยเป็นเครื่องมือของมันแบบไม่รู้สึกตัวเลยนะลอยหลงไปเป็นลูกมือของมันไม่รู้สึกตัวไม่รู้สึกมไม่รู้สึกตัว วิวจิตรชาทีเจ้าพจดว่าวิจิตรชาวิจิตจชาแปลว่าหลังเลสงสัยความลังเลสงสัยเอ้ยมักผลมีจริงไหมเนาะรู้ไดเจ้ามีจริงหรือเปล่าหรือตั้งเป็นนิยายเฉยคนไม่มีความเริ่มใส่ศรัทธาในคุณบอกทีเจ้าก็ทำผิด ไม่มีความเดิมใสในคุณของพระเจ้าประทามประสงค์วิจิกิจชาวิจิกปชาแปลว่าลังเลสงสัยลังเลสงสัยไม่มีความเดิมใส ใ, ในคุณของพระเจ้าประทรมประสงค์การแก้ไขก็คือให้พิจารณาถึงคุณของพระเจ้าคุณของพระธรรมคุณของประสงค์ เรศึกษาข้อปฏิบัติต่างหลายให้เกิดความรู้เกิดความเข้าใจเห็นวิธีคิดชาหลังลีสงสัยศ er ึกษาให้หมดความสงสัยให้หมดข้อข้องใจให้หมดความลังลใจคำว่าลังลหลังเลก็คือมันไม่แน่ใจไม่ปักใจไม่อยากลงลงทนลงรอนหล่ะหลังลีขึ้นกลางกลาง ไอ้ทั้งจะทาไห้ทั้งจะไม่ทาไม่มีกําลังใจไม่มีกําลังใจไม่มีศรัทธาไม่มีศรัทธาที่จะทำไม่มีผลรายได้ที่จะเป็นหลักเป็นประจำพยายให้กับหัวใจของเราเกิดลังเลสงสัยคิดวนเวียนอยู่นึงเวลาเราภาวนาต้องการแค่ต้องการให้ใจสงบมันไม่นิวรนตัวใดตัวหนึ่งก็ต้องนิวันตัวใดตัวหนึ่ง นี่แหละยุ่งตรงนี้แหละมันแอเจ่อเราสงบไม่ได้คิดสงบไม่ได้อพันกันอยู่นั้นมัดกันอยู่นั้นดึงกันอยู่นั้นรั้งกันอยู่นั้นชนมันไปเลยชนมาแล้วชนมันมามันก็ดึงมันดื้อรั้นเราไปชดเข้ามาชดเข้ามาตัวโมหะตัวความเผลือ แปบเดียวมันพาเราพผลอแปบเลียวมาพาเราเผลอต้องขย ე อรกันต้องดึงกันไปต้องดึงกันมาเยือกันไปเยือกันมามันก็ดึงเราไปเราก็ดึงมันมาเอาความอดความทนเอาสติสัมปชัญญะเอาปัญญาเราศรัทธาเอาความอดความทนนี่ดึงมันสติสัมปชัญญะเนี่ดึงมันทั้งอกทั้งใจด้วยเจดจำนองดึงมันเข้ามา ก็หนอยนึ่งเดีอยู่อยู่กับคําบริกรรมเพราะคําบริกรรมให้เป็นงานอย่าทิ้งงานทิ้งงานไม่ได้ทิ้งงานไม่ได้เพราะงานนี่แหละจะเป็นเหตุมันเป็นการกลัน่นมันเป็นการกรองมันเป็นการฟ้องงานนี่แหละงานนํารองสติอย่างตอนนี้องกุดดู พุทโธมาคกับจิตพุทโธมาควบกับจิตเอาความเพียรพระครประคองดํารทธิพุทโธพุทโธวิตกวิจารน้ำร้องอยู่อย่างนี้แหละพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทยนก็พุทโธเดินก็พุทโธนั่งก็พุทโธนอนก็พุทโธให้มันอยู่กับอารมณ์อันเดียวเนี่ยต้องการให้จิตสงบไม่งั้นมันสงบไม่ได้ศึกษาอยู่แค่นี้ะ มันสงบไม่ได้เพราะอะไรมันอยู่ไม่ได้เพราะอะไรคำว่าเพราะอะไรเพราะอะไรนั่นนหะคือตัวปัญหาอย่างไปคลี่คายปัญหาตัวนะั้นตัวนังเลสงสัยตัวฟุงซ่านำคารหรือตัวนิวรนศึกษาอยู่แค่นี้ศึกษาเองรู้เองเข้าใจเอง ก็เราควรจิตของเราด้วยสารส้มข้อปฏิบัติเหล่านี้เหมือนกับสารส้มกวนไปควรไปตะก่อนก็จะเริ่มตกจิตมันเริ่มสงบตะก่อนมันเริ่มตกจิตเริ่มสงบเริ่มใสจิตเริ่มผ่องิตเริ่มใสจิตเริ่มสงบความผ่องความใสความสงบมีความสุขอยู่ในนั้นมีความสุขอยู่ในนั้นมีความสว่างโรยอยู่ในนั้น มีความติมรูอย่า น, นตม น, น, นตัวมีความสุขมีความอึอิ่มมีความอิ่มปีติอิ่มอิ่มทั้งกายอิ่มทั้งใจทั้งมีความสุขอึ้งตึงอ่ะตอนนี้แล้วโคไป